ช่วงนี้ตอนเช้าๆหรือใช้สายเนี่ยบางทีเราจะเห็นสัตว์บางชนิดนะเช่นพวกกิ่งกาจิ้งเหลนนะมันมานอนอาบแดดอาจจะตรงสะพานบ้างหรือว่าตนริมถนนบ้างหรือถ้าเดินไปในป่านบางทีก็จะเจองูเนี่ยนะมันนอนนะรับแดด ดูตรงพื้นที่ที่มันโล่งๆนะบางทีเดินเข้าไปใกล้เนี่ยนะมันถึงรู้ตัวอาจจะเป็นเพราะมันกำลังเพลินกำลังสบายนะทำไมมันทำอย่างนั้นนะการตากแดดเพราะว่ามันหนาวและสัตว์พวกนี้เนี่ยมันเป็นสัตว์เลือดเย็นก็คือว่ามัน ไม่มีความสามารถในการทําความอุ่นให้กับตัวเองงั้นความอุ่นจะเกิดขึ้นได้จะต้องอาศัยสิ่งภายนอกนะเช่นแสงแดดอันนี้ต่างจากคนเรานะคนเราเนี่ยได้เปรียบกว่าสัตว์เหล่านี้เนี่ยตรงที่ว่าร่างกายเราเนี่ยมันมันสามารถที่จะสร้างความอบอุ่น ได้โดยตัวเองเราจึงถือว่าเป็นสัตว์เลือดอุ่นซึ่งก็มีสัตว์ประเภทนี้อยู่มากนะการที่เราเป็นสัตว์เลือดอุ่นเนี่ยก็ทำให้เรามีความอบอุ่นอยู่ในตัวอย่างที่เราทราบอยู่นะยแล้วนะว่าคนเราเนี่ยถ้าไม่เจ็ดป่วยอะไรก็อุณหภูมิก็ประมาณเนี่ยสกากกว่ากว่า เวลาเขาจะตรวจสอบว่าเนี่ยใครป่วยไม่สบายนี่ก็ดูตรงอุณหภูมินี่แหละว่ามันอุณหภูมิสูงไหมเกิน3าไปหรือเปล่าถ้าเกินก็แสดงว่าป่วยงที่จริงเนี่ยไอ้ความป่วยเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่า ไอ้ความที่มีอุณหภูมิสูงเนี่ยมันไม่ใช่เพราะมีเชื้อโรคเข้ามาแล้วเชื้อโรคมันทำให้ร่างกายเราเป็นไข้นะไอ้ที่ร่างกายเราเป็นไข่นี่ก็เพราะมันเป็นความตั้งใจของร่างกายเราเองที่จะเพิ่มความร้อนให้สูงขึ้นเพื่ออะไรนะก็เพื่อฆ่าเชื้อโรคน ะ, ะเชื้อโรคเนี่ยที่มันเข้ามาสู่ร่างกายเราเนี่ยจานวนมากเลย ถ้ามันเจอความร้อนที่สูงขึ้นในร่างกายเรามันก็จะตายนะอันนี้เป็นวิธีการของร่างกายเราในการกำจัดเชื้อโรคซึ่งก็ไม่ได้ว่าจะกำจัดได้ทุกชนิดนะอย่างที่เราทราบเนี่ยเป็นไข้แล้วก็ยังป่วยหนักได้แต่ว่าถ้าเป็นเชื้อโรค หลายชนิดทีเดียวพอมันเข้าสู่ร่างกายเราพอเราเป็นไข้อาจจะเป็นไข้แบบจัดๆเนี่ยแต่พอหายไข้เนี่ยเชื้อโรมันก็ตายหรือผู้ยางก็คือว่าพอเชื้อโร่มันตายร่างกายมันก็หายไข้แล้วกลับเป็นปกติอันนี้ก็เป็นเป็นความได้เปรียบเนาะของคนเราเนเมื่อเทียบกับสัตว์เลื้อยคลาน เรามีความสามารถในการเพิ่มอุณหภูมิหรือสร้างความอบอุ่นขึ้นในร่างกายซึ่งทําให้เราอยู่ในที่หนาวหรือทนหนาวได้มากกว่าสัตว์เหล่านี้แล้วก็ทําให้เราเนี่ยสามารถจ ะ, ะเยียวยาตัวเองได้เวลามีเชื้อโรคเข้ามาในร่างกายเยียวยาด้วยการฆ่ามันด้วยความร้อนหรือการเป็นไข้ คนเราเนี่ยมีความสามารถนะในการที่จะสร้างอุณหภูมิดรวยความร้อนแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเวลาการหนาวมากๆเนี่ยอุณหภูมิที่สร้างขึ้นมาในร่างกายก็อาจจะไม่เพียงพอนี่คือเหตุผลว่าเราจึงใช้ผ้าห่มนะหรือว่าเสื้อนานๆเนี่ย ลมกายนะเวลาอากาศนหนาวๆอย่างช่วงนี้เนี่ยเราต้องอาศัยผ้าห่มเลยทีเดียวกลางค่ําคืนขาดผ้าห่มไม่ได้ถ้าถามว่าผ้าห่มมีไว้ทําไมนะหลายคนก็ตอบว่าเพื่อทําให้ร่างกายอบอุ่นคําตอบ น, นี้ก็ดูเหมือนถูกนะแต่จริงมันก็ยังไม่ถูกทีเดียวนะเพราะมันมีนัยยะว่าผ้าห่มเนี่ยมันทํา สร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายเราหรือมันเพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกายเราจริงเพ่อผมมันทําไม่ได้นะเพ่อผมเนี่ยมันไม่สามารถจะสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายของเราได้เลยแมนะ้แต่องศาเดียวนะแต่าาที่เรารู้สึกอบอุ่นเนี่ยเมื่อเราอยู่ใต้พ่อผมหรือใส่เสื้อนั้นหนาเนี่ย ก็เพราะว่ า, าผ้าห่มหรือเสื้อเนี่ยมันช่วยเก็บกักความร้อนหรือความอบอุ่นที่แผ่มาจากร่างกายของเรามันทำได้เท่านี้แหละคือมันเก็บความร้อนหรือเก็บความอบอุ่นซึ่งก็มาจากร่างกายของเรานี่แหละมันไม่ได้มาจากาผ้าห่มแต่การที่มันเก็บความอบอุ่นในร่างกายเรามันก็ทำให้เราอุ่นมากขึ้น บางทีคนไม่เข้าใจนะคิดว่าความอ บ, อบอุ่นนี่มันมาจากผ้าห่มไม่ใช่เลยมันมาจากร่างกายของเรา เ, เพียงแต่ ว, ว่ามันกักเอาไว้ไม่ให้ถ่ายเทยสู่อากาศนะภายนอกหรือรอบตัวพออากาศและพออบอุ่นในร่างกายเรามันถูกเกับเก็บเอาไว้เนี่ยมันก็ทําให้ตัวเราอุ่นมากขึ้นก็เลยทนหนาวนะได้มากกว่าเดิม แต่ก็ต้องอย่าไปเผอเข้าใจว่าความอบอุ่นนั้นเันมาจากผ้าห่มหรือมาจากเสื้อนะมันมัจากจากมมาจากตัวเรานี่เองอยู่ที่ว่าเราจะเก็บกักความอบอุ่นในร่างกายเราได้มากแค่ไหนที่จริงตัวเราเนี่ยไม่ว่าร่างกายหรือจิตใจเนี่ยมันสามารถที่จะสร้างสิ่งดีๆมากมายนะ แต่บางทีเราก็ไปนึกว่าเป็นเพราะเหตุอื่นมากกว่าอย่างเช่นเวลาคนเนี่ยมาพาตัวเข้ามาอยู่ในป่าอยู่ในที่สงบสงัดจะเป็นที่นี่หรือว่าท้าวอุทยานแห่งชาติหรือว่าป่าที่ไหนก็แล้วแต่หลายคนจะรู้สึกถึงความสงบ สัมผัสได้ถึงความสงบนะในจิตใจแล้ว น, นี้เนี่ยหลายคนก็เลยคิดว่าเนี่ยป่าเนี่ยมันทำให้ใจเราสงบพูดอย่างนี้ก็อาจจะทำให้เขาเ้าใจความสงบนี่มาจากป่านะที่จริงไม่ใช่หรอกความสงบเนี่ยมันมีอยู่ในจิตใจของเราอยู่แล้วเพียงแต่ป่าช่วยเสริมหรือช่วยดึงเอาความสงบ จากใจเราออกมาให้เราสัมผัสได้อยากจะพูดอย่างนั้นเนี่ยความสงบมันอยู่ในจิตใจเราอยู่แล้วมันไม่อยู่ที่ป่ามันไม่อยู่ที่กากแก่งที่ไหนเพียงแต่ว่าพอเราไปอยู่ในสถานที่นั้นเนี่ยสถานที่นั้นมันช่วยดึงนะเอาความสงบในจิตใจของเราออกมาหรือช่วยรักษาความสงบในจิตใจของเราไม่ให้ แผ่กระจายไปเหมือนกระผ้าะห่มที่มันช่วยรักษาความอบอุ่นที่ไม่ได้มาจากไหนแล้วก็มาจากร่างกายของเรานะป่าเนี่ยหรือว่าธรรมชาติเนี่ยมันก็ทาหน้าที่คล้ายๆกันในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องความสงบใจเรามีความสามารถที่จะสงบได้อยู่แล้วนะเพียงแต่ป่าเนี่ยหรือธรรมชาติมันช่วยช่วยดึงออกมาหรือว่าช่วยรักษาเอาไว้ไม่ให กลายเป็นความฟุ้งซ่านแต่ถ้าว่าคนเราเนี่ยรู้จักรักษาความสงบในใจของตัวเองได้เนี่ยก็ไม่ต้องพึ่งธรรมชาตินะไม่ต้องพึ่งป่าก็ได้แต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็ยังไม่มีความสามารถที่จะดึงเอาความสงบออมาจากใจหรือว่ารักษาความสงบที่มีอยู่แล้วเนี่ยให้มันคงอยู่ ก็เลยต้องอาศัยตัวช่วยนะสิ่งแวดล้อมสถานที่ป่าไม้ธรรมชาติเกาะแก่งความสุขก็เหมือนกันนะความสุขมันก็มีอยู่แล้วในใจเราแต่คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจแนละ้วก็ไปคิดว่าเนี่ยรู้รถกินเสียงมันจะทำให้เราได้มีความสุขแต่ที่จริงเนี่ยมันไอความสุขที่เกิดจากรู้รถกินเสียงพวกนี้เนี่ยมันก็เป็นของชั่วคราว แล้วมันก็ไม่ใช่เป็นความสุขที่ออกมาจากใจของเราใจเมื่อก็ตามที่เรานะรู้จักนะรักษาความสุขในใจหรือว่าช่วยปัดเป่าสิ่งที่มันก่อกวนปั่นป่วนความสุขในใจเราเนี่ยถ้าเราเอาสิ่งเหล่านี้ออกไปเนี่ยความสุขมันก็แสดงตัวออกมา ให้เราได้สัมผัสได้มันก็เหมือนกับแสงแดดนะแสงแดดหรือแดดที่มันส่องสว่างจากดวงอาทิตย์เนี่ยมันก็ดวที่นี้ก็ส่องสว่างอยู่ตลอดเวลาแต่บางครั้งเนี่ยมันมืดบางครั้งมันคล้มเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าแสงแดดหรือแสงจากดวงอาทิตย์เนี่ยมันมันลดน้อยถอยลงไป แสงแดดก็ยังเหมือนเดิมยังแผ่มาจากดวงอาทิตย์เท่าเดิมแต่ที่มันมืดที่มันคลึ่เพราะว่ามีเมฆมามาบางังเมฆเนี่ยถ้าว่าหายไปเมื่อไหร่น ะ, ะความสว่างก็ปรากฏแต่เป็นความสว่างที่มีอยู่แล้วตลอดเวลาเพียงแต่บางช่วงบางขณะแต่เมฆมันบดบงัง อันนี้พระเจ้าก็จัดนะอุปมาเนี่ยก็เหมือนกับใจของเราเหมือนกันนะพระเจ้าจัดว่าจิตนั้นประภัฒสอนนะแต่ว่าหมองมัวเพราะกิเลสมันจอนเข้ามาจิตเราเนี่ยสอง ส, อสุขสว่างนะหรือผ่องใสยอยู่แล้วแต่ที่เศร้ามองหรือว่าที่เป็นทุกข์เนี่ยเพราะกิเลสมันจอนเข้ามาเราไม่ไม่ต้องไปเพิ่ม หรือเติมความผ่องใสให้กับใจเลยนะสิ่งที่เราควรจะทำคือเอากิเลสเนี่ยมันออกไปนะพอเราดึงกิเลสออกไปนะก็เหมือนกับเมฆที่มันพอหายไปเนี่ยความสว่างก็เกิดขึ้นแต่เป็นความสว่างที่มีอยู่แล้วมาตลอดเวลาเพียงแต่ถูกเมฆมันบดบังแค่นัดนึง จ, จิตใจเราก็เหมือนกั น, นสุกสว่างหรือผ่องใสยอยู่ตลอดแต่ว่าในบางครั้งหรือว่าบ่อยครั้งเลยนะมองมัวอันใ้พอกิเลสมันจอยเข้ามาหรือที่จริงพูดให้ครวมมากนะคือความหลงที่มันจอยเข้ามาที่มันบกบังจิตเวลาเรามาฝึกเนี่ยฝึกสติฝึกความรู้สึกตัวเนี่ยที่จริงเนี่ยนะสติหรือความรู้สึกตัวเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วในใจเรานะ มันไม่จะมันไม่เป็นต้องมาเติมมาเสริมมาสร้างแต่สิ่งที่เราทำจริงๆคือเอาสิ่งที่มันบทบังบันทอนสติหรือความรู้สึกตัวออกไปสิ่งที่บทบังนะสติก็คือความลืมตัวสิ่งที่บทบังความรู้สึกตัวคือความหลง ถ้าไปแล้วในการปฏิบัติของเราเนี่ยถ้าหมอนในแง่ห e นึ่งมันไม่ใช่เป็นการมาเติมสติหรือเติมความสึกตัวอะไรเลยเพียงแต่เราเพยายามเอาความหลงออกไปพอเราเอาความหลงออกไปนะในความสึกตัวก็แสดงก็ปรากฏเหมือนกับพอเมฆมันจางหายไปนะดวงที่ก็สุก ส, สว่างใหม่ แต่ที่จริงก็สว่างอยู่แล้วนะเพียงแต่มันถูกบดบังด้วยมเมฆเท่านั้นเองใจเรานี่ก็มีความสึกตัวเป็นเป็นทรัพย์หรือเป็นคุณสมบัติประจำอยู่แล้วนะแต่ที่เราทุกข์ที่เราหมดมองที่เรากรดกลุ่มนะเพราะว่าไอ้กิเลสความหลงเนี่ยมันมันจอนเข้ามา คำว่าจรเนี่ยมันแปลว่าไม่ใช่เป็นเนื้อเป็นตัวของใจนะมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ติดมาหรือเป็นธรรมชาติของใจนะมันเพียงแต่เป็นสิ่งที่มาชั่วครั้งชั่วคราวและเมื่อจรมามันก็มีคาว่าจรไปนะคว่ามีคำว่ามาเนี่ยกับไปของคู่กัน อะไรที่มาได้มันก็ไปได้นะนั้นกิเลสที่จอยเข้ามามันก็สามารถจะไปได้เหมือนกันความหลงที่มันจอนเข้ามามันก็สามารถจะไปได้เหมือนกันรไไนนิงกนการปฏิบัติเนี่ยของเราเนี่ยเราไม่ต้องทำอะไรมากก็เพียงแต่ว่าเอาความหลงออกไปหรือว่าไม่เปิดช่องให้ความหลงเข้ามาอันนี้ก็เป็นเทคนิคเดียวกันนะกับงาน ผลงานของผลงานแกะสลักของช่างหรือศิลปินที่มีฝีมือเนี่ยอย่างไมเคิลแองเจโลเนี่ยผลงานด้านการแกะสลักเ้านีนะ่ถือว่ายิ่งใหญ่มากนะหินอ่อนนะที่ดูไม่น่าสนใจหรือว่าหินอ่อนที่ถูกคนก็ทิ้งแล้ว เพราะว่าผ่านผ่านมือช่างมาหลายคนแต่ว่ามันไม่สำเร็จนะเป็นผลงานที่สวยงามเลยเนี่ยทัที่เป็นแท่งหินอ่อนที่คนก็ทิ้งแล้วแล้วก็ผ่านการผ่านงานมาแล้วมันก็ไม่ใช่เป็นแท่งหินอ่อนที่สวยเท่าไหร่แ้ามาเครื่อจนจัโรนี่ก็สามารถที่จะแกะสลัก ให้เป็นภาพให้เป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่นะอย่างภาพดาวิดเนี่ยไม่ใช่ภาพนะคืออย่างรูปปั้นรูปสลักดาวิดเนี่ยโยคนเห็นก็ทึ่งมากเลยนะเพราะว่าดูเหมือนมีชีวิตเนี่ยแล้วก็งดงามแม้กระทั่งเส้นเลือดนี่ก็ที่ปูดโปนขึ้นมาก็คนก็เห็นด้วยสายตา คนไปถามว่ามเคุยจัโรนี่เขาแกะสลักได้อย่างไรได้ผลงานที่งดงามอย่างนั้นเขาบอกว่าเขาเพียงแต่เอาส่วนเกินออกไปเท่านั้นแหละภาพที่งดงามหรือว่ารูปที่งดงามมันอยู่ในก้อนหินที่ดูไม่สวยงามที่ดูขี้เหร่แต่ข้างในเนี่ยนะมันมี รูปที่สวยงามซ่อนอยู่สิ่งที่ช่างทําคือแก่เอาส่วนเกินออกไปพอแก่ส่วนเกินไปสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือรูปจริงงดงามในการที่เรามาฝึกจิตเนี่ยก็เหมือนกันนะความรู้สึกตัวก็ดีนะสติก็ดีปัญญาก็ดีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนก็เกิดขึ้นได้จากการที่เรา จริงๆมันก็มีอยู่แล้วและนะในใจของเราเพียงแต่ว่ามันถูกครอบหรือถูกคลุมนะหรือถูกบดบังนะด้วยกิเลสด้วยอวิชชาด้วยความหลงนาะที่เราคือว่าเอาสิ่งเหล่านี้ออกมาพอเอามันออกมานะผลที่เกิดขึ้นคือนะความตื่นรู้นะนะความ สุขสว่างของใจหรือความเบิกบานรวมทั้งการนะมีปัญญาแจ่มแจ้งแต่ที่มันยังไม่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยไม่ใช่เพราะมันมันไม่มีในใจหรอกนะมันมีแต่มันถูกห่อคลุมนะหลายชั้นทีเดียวนะกิเลสอวิชชาความหลง ทางที่เบรนี่ก็เชื่อเลยนะว่าเนี่ยพอคนเราตายนะไอ้ชั้นเนี่ยชั้นของกิเลสอวิชชาเหล่านี้เนี่ยมันก็จะสลายไปทีละชั้นทีละชั้นทีละชั้ น, นจนกระทั่งจิตเนี่ยสว่างสวยัยเป็นจิตที่ประกอบไปด้วยปัญญาความรู้แจ้งแต่มันเป็นชั่วประเดียวประดาวนะเป็นชั่วประเดียวประดาเพราะ พอผ่านไปไม่กี่ขณะจิตมันก็กลับถูกห่อหุ้มนะด้วยกิเลสด้วยวิชามันเดิมก็เลยต้องนะวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏนะพรจะมีความหลงพ่อังมีอวิชชาแต่เพราฉพาะตอนที่ตายเนี่ยนะตอนที่ผ่านช่วงเรียกว่าแสงกระจ่างเนี่ย คือไม่ใช่แค่ความตายทางกายแค่หมดลมหมดใจหยุดเต้นแต่จิตมันก็ดับไปด้วยตอนนั้นแหละนะเ ป, นเป็นช่วงสั้นๆที่ไอ้กิเลสทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยที่มันเคยห่อหุ้มจิตเป็นชั้นๆก็สลายไปสิ่งที่ตามมาคือความโศกสว่างจิตซึ่งเรียกว่าจ่มแจ้งด้วยวิชาและปัญญา แต่าบุตุชนแล้วเนี่ยมันก็เป็นช่วงสั้นๆนะแล้วอวิชชากิเลนก็หออก่อคลุมใหม่อันนี้ก็เป็นความเชื่อนะของพุทธศาสนาแบบวัชรยานแต่ว่าสำหรับอาการปฏิบัติของเราเนี่ยเราไม่ต้องรอนะให้ให้ตายไปก่อนนะถึงจะเกิดการ แจมแจ้งนะทางปัญญาเพราะว่าอาวิชามันนะเสื่อมสลายไปจนหมดสิน้นเราก็ปฏิบัตินะการปฏบของเรานี่ก็ก็เพียงแค่ทำให้ไอ้ความหลงนะมันไม่มีที่ตั้งเราความหลงออกไปความสึกตัวก็เกิดขึ้นแต่ถ้าว่ายังไม่เข้าใจตรงนี้อา้าวเราก็ พยายามทำความรู้สึกตัวไปเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นวิธีที่ครูบาอาจารย์นั้นก็สอนให้เราทองความรู้สึกตัวไปเรื่องแต่ว่าตื่นเช้าขึ้นมาเก็บที่นอนก็รู้สึกตัวขณะที่เก็บที่นอนใจมีสติยอยู่กับการเคลื่อนการขยับของมือขณะที่เก็บผ้าผมพับผ้าห่าม ถึงเวลาลุกเนะข้าห้องน้ำก็มีความมีสตมิมีความรู้สึกตัวอาบน้าถูฟันก็มีความรู้สึกตัวซึ่งปกติแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่จะรู้สึกตัวต่อเนื่องหรอกมันก็ลืมตัวบ้างบางทีก็เผลอคิดนะไปถึงงานเผลอคิดไปถึงเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วเมื่อวานก่อน บางทีก็นึกถึงโทรศัพท์อ่ะอยากจะไปเปิดดูข้อความซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นนิสยัยของคนนะส่วนใหญ่ก็ว่าได้ตื่นขึ้นมาแล้วนี่ไม่ถึงสิบนาทีนะก็ต้องคว้าโทรศัพท์มาดูข้อความันเป็นส่วนใหญ่ในการทำอย่างนี้เนี่ยมันก็ก็เป็นธรรมดาแต่ว่าพอเราฝึกให้มีความสึกตัวเนี่ยในด้านนี้ก็คือการที่เรา ปัดเป่าขับไล่ความหลงออกไปด้วยการที่เรามีเอาจิตมาอยู่กับสิ่งที่เรากําลังทำํำอันนี้เรามีสติอยู่กับกายมีสติรู้กายการที่มีสติรูก้ก า, รรารกายเนี่ยมันก็ทําให้ความหลงมันเข้ามาข้องงําจิตไม่ได้แต่พอสติ ดับไปความหลงก็จูด จ, จงขึ้นมาเลยแต่พอเรากำมีสติใหม่ความหลงก็หายไปมันก็เรียกว่ า, าสลับสลับกันแบบนี้แหละแต่ถ้าว่าเราขยันทําไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆนะความสึกตัวที่ มีต่อเนื่องก็ทำให้ความหลงมันเข้ามาครอบงำาเข้ามาบทบังจิตได้ยากมันไม่ใช่แค่เพียงว่าต้องมาทำในรูปแบบอย่างเดียวไม่ใช่เป็นการเดินจงกรมไม่่เป็นการสร้างจังหวะหรือการตาลมหายใจอันนั้นยังอาจจะเรียกว่าไม่สำคัญเท่ากับการที่เรา อย่ามมีสติมีความสึกตัวอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันหลายคนบอกว่าโอ้ยไม่เคยมีเวลาปฏิบัติในรูปแบบแต่พอแนะนําว่าให้มีสติมีความสึกตัวในชีวิตประจําวันก็บอกทําได้ยากคือมันจะมีข้ออ้างอยู่เรื่อยๆทั้งที่ยังไม่ลองยังไม่ได้ลองทําหรือยังไม่ได้ทําเต็มที่ อันนี้มันก็เป็นความหลงอีกชนิดหนึ่งนะใกิเลสก็ปรุงแต่งนะเหตุผลข้ออ้างแล้วเราก็หลงเชื่อมันแต่พอเราไม่หลงเชื่อมันนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนแรกแล้วในการที่จ ะ, ะปัดเป่าปิดกั้นความหลงนะไม่ให้มารบกวนใจ แล้วพอปิดกั้นความหลงไม่ให้เข้ามารบกวนใจน ะ, ะมันก็เหมือนกับเมฆที่มันหายไปดวงที่ก็สว่างสวัยเหมือนเดิมถ้าความหลงมันเราขยับปัดเป่าออไปอยู่เรื่อยๆต่อเนื่องมก็มีความสุขตัวต่อเนื่องตามมาแต่ถ้าว่ายังไม่รู้ว่าจะขยับขยัดปัดเป่าความหลงอย่างไรก็เอามาก็หันมาสร้างสติมาสร้างความสุขตัวให้ต่อเนื่องก็แล้วกัน แล้ถ้าทำไปํำไปเนี่ยสิ่งที่มันมีอยู่แล้วในใจเราก็จะแสดงตัวออกมาแล้วก็จะเป็นที่พึ่งพาศัยของเราได้ไม่มีอะไรนะที่จะมาทำให้เรามีสติมีความรู้สึกตัวหรือมีความสงบได้เพราะว่าทั้งหมดนี้มันมีอยู่แล้วในใจเราสิ่งอื่นเป็นแค่ตัวช่วยเหมือนกับป่าที่ช่วยถึงความสงบที่มีอยู่แล้วในใจเราให้แสดงตัวออกมา หรือมือนกับผ้าห่มที่มันเพียงแค่รักษาความอบอุ่นซึ่งที่จริงก็มาจากร่างกายของเรานั่ยแหละแถ้าเรารักษาสติรักษาความสงบความสึกตัวในลักษณะนี้เนี่ยมัน ก, ก็จะทำให้สติความสึกตัวครับสงบเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็สามารถที่จะนะปกป้องเรานะไม่ให้จมอยู่ในความทุกข์ได้